สคาถกะปุญญาพิสันทวัคหมวดว่าด้วยห่วงบุญกุศลที่มีคาถาปนหนึ่งปัมาอภิสันทสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลสูตรที่หนึ่งหนึ่งพัมิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศลนำสุกมาให้สี่ประการ น, นี้ห่วงบุญกุศลสี่ประการอะไรบ้าง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 คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอาเจรวดีแม่น้ำสารภูแม่น้ำมหีย่อมไหลเรื่อยไปที่ปากน้ำใดการที่จะกำหนดปริมาณของน้ำที่ปากน้ำนั้นว่าน้ำมีปริมาณเท่านี้อารหกะน้ำมีปริมาณเท่านี้ร้อยอารหกกะน้ำมีปริมาณเท่านี้ พันอารหกกะหรือน้ำมีประมาณเท่านี้แสนอารหักกะดังนี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายแท้ที่จริงปริมาณของน้ำในมหาสมุทรนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห้วงน้ำใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยแม้ฉันใดาการที่จะกำหนด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 ได้ตรัสเบญยากรณภพาสิทธิ์นี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าแม่น้ำหลายสายคับคั่งไปด้วยหมู่ปาลาไหลบาไปยังมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้ำขนาดใหญ่ประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นแหล่งรัตนะชั้นเยี่ยมชั้นใดสายทานแห่งบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิต ผู้ให้ข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเปรียบเหมือนแม่น้ำคือห่วงน้ำไหลไปยังมหาสมุทรฉันนั้นปฐมอภิสันทสูตรที่หนึ่งจบสองทุติยะอภิสันทสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลสูตรที่สอง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 นำสุขมาให้ดังนี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายเลยแท้ที่จริงห่วงบุญกุศล น, นี้ย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยะมุนาแม่น้ำอเจรวดีแม่น้ำสารพูแม่น้ำมะหี ย่อมหลเรื่อยไปที่ปากน้ำใดการที่จะกำหนดปริมาณของน้ำที่ปากน้ำนั้นว่ามีน้ำปริมาณเท่านี้อารหกะน้ำมีปริมาณเท่านี้ร้อยอารหกะน้ำมีปริมาณเท่านี้พันอารหกะหรือน้ำมีปริมาณเท่านี้แสนอารหกะดังนี้ไม่ใช่จะทำได้ง่าย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 ห่วงบุญกุศลนี้ย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาได้ตรัสเวยยกรณาพาสิคนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าแม่น้ำหลายสายคับข้างไปด้วยหมู่ปาลาไหลบ่าไปยังมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้าขนาดใหญ่ประมาณไม่ได้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 สีเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชําแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นห่วงบุญกุศลนำสุขมาให้ประการที่สี่ห่วงบุญกุศลนาสุขมาให้สี่ประการนี้แลการที่กําหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วยห่วงบุญกุศลสี่ประการนี้ว่า หวงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้ดังนี้ไม่ใช่จะทำได้ง่ายแท้จริงห่วงบุญกุศลนี้ย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาได้ตรัสเบญยากรณะพาสิทนี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้ใดต้องการบุญ